พลเวลาเราคิดถึงอะไรที่เราสําคัญไม่หมายว่าสัตว์เนี่ยนะขึ้นเอ๊ะทั้งหมดนั้นก็คือขันห้าไม่ใช่หรือนะก็ควรตั้งคําถามต่อไปอีกใช่ไหมขันห้าไม่ใช่หรือแล้วขันเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะนะก็ก็มาสอบดูไอ้รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นนนนนนนว่่่่าาาาาััััเเเรรรขขออองงต นะพระองค์ก็บอกว่าเพราะเหตุนั้นแลคือเพราะเหตุนั้นเหตุไหนเหตุที่ขันเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขันทั้งห้าทั้งที่เป็นอดีตนะสรุปก็คือขันห้าก่อนนะขันห้าถึงในอดีตก็ขันห้าอนาคตก็ขันห้าปัจจุบันนี้ก็ขันห้าภายในก็ขันห้าและภายนอกล่ะก็ขันห้า ที่หยาบก็ขันห้าละเอียดก็ขันห้าเลวก็ขันห้าประเี๊ก็ขันห้าไกลก็ขันห้าไกลก็คือขันห้าอีกอยู่ดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวีวประเี๊ยบใกล้ไกลเธอเพิ่งเห็นว่านั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะแล้วก็ตามเห็นว่านั่นเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ใชอัตตาของเรานัะ พันผู้ที่โดยเฉพาะอริยาสาวกเนี่ยนะเมื่อได้รู้เห็นหรือได้ฟังอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนับเพราะคลายกําหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอย่าลืมว่าพรหมจรรย์ในศาสนานี้คืออะไรคือการกําจัดฉันทราค่าในขันท่านะทบทวนต้องไม่ลืมใช่ไหม ว่าหลักการของาศาสนาพุทธคือการกําจัดฉันทราคะในขันห้าเนี่ยนะปัญผอผู้ที่กําจัดฉันทราค่าในขันห้าเด็ดาขาด น, นั่นแหละเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็สอบถามลัทธิว่าดูก่อนอนุราธะเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรเธอเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์บุคคลหรือคนเนะ น, ค น, นี่คื อ, ค, อคือรูปใช่ไหมรูปคือคนคนคือรูปใช่ไหมถ้าตั้งคําถามแบบนี้ขึ้นมา บอกไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะแต่อันนี้นี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราไปเที่ยวถามแบบนี้ขึ้นมาเลยนะไม่ได้ต้องหนึ่งนะต้องไปมีความแยกแยะให้เป็นขันหก่อนแล้วรู้ขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะแล้วขันห้าแยกเป็นสิอดกองว่าทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาไม่ควรมีตานหามานาทิฐิในในขันทั้งห้าเมื่อแยกแยะไข้ค ร, ครวญสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วเนี่ยนะจึงมาถามว่า เธอย่อมเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์บุคคลหรือเนี่ยนะบอกไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะแต่ถ้าอยู่ๆแล้วไปถามอ่ะนี่คนคือรูปรูปคือคนใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช่เลยเนี่ยนะใช่เลยคันนี้มันไม่ใช่เนี่ยเกิดศัตรูขึ้นมาแน่ศึกชิงน้ําลาย แ, แล้ว น, นะเธอเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสัตว์บุคคลหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะ ดูก่อนอนุราติเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนะัไหนเธอย่อมเห็นว่าสัตว์บุคคลเนี่ยในรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอย่อมเห็นสัตว์บุคคลต่างหากจากรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอย่อมเห็น่สัตว์บุคคลในเวทนาหรือต่างหากจากเวทนาหรือไม่ใช่ในสัญญาสังขารวิญญาณก็ในเดียวกันเนี่ยนะ ดูก่อนอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเธอย่อมเห็นว่าสัตว์บุคคลมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นหรือสัตว์นี้มีขันท่าใช่ไหมก็ไม่ใช่เองนั่นแหละเนาะดูก่อนอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเธอย่อมเห็นว่าสัตว์บุคคลไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอนุราทะก็โดยที่แท้จริงนะโดยที่จริงโดยที่แท้ เธอค้นหาสัตว์บุคคลในขันห้าเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรหรือที่เธอจะพยากรว่า น, นะคือไม่ควรไปตอบตอบแบบนี้นะว่าพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษบรรลุธรรมที่ควรบรรลุชั้นเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติย่อมบัญญัติเว้นฐานะสี่เหล่านี้คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมไม่เกิดอีกย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มี นะย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้สมควรไหมจะไปตอบแทนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติอื่นจากนี้น ะ, ะบอกไม่มข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะถูกละถูกละอนุราทะทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราย่อมบัญญัติทุกและความดับทุกเนี่ยนะคือความเป็นศัพท์เนี่ยนะในผู้าศาสนาเนี่ยมีโดยโวหาร เนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธการกล่าวถึงคําว่าสัตว์บุคคลใช่ไหมแต่ว่าด้วยเหตุผลอื่นไม่ใช่เหตุผลอันนี้เหตุผลอื่นเพื่ออะไรเพื่อเจริญพรหมวิหารเพื่อกล่าวถึงกรรมเป็นของของตนเพื่อที่จะกล่าวถึงอนันตริยกรรมเพื่อกล่าวถึงอีทธิอุต ป, ปะเป็นต้นก็คือมีเหตุผลที่จะกล่าวโดยสมมติโวหารเหล่านั้นๆแต่ว่าโวหารเหล่านั้นเนี่ยผู้ที่แยกแยะโดยละเอียดก็ไม่ได้เข้าใจผิดอะไรเนี่ยนะ สรุปว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราย่อมบัญญัติทุกทุกคืออะไรขันห้านั่นแหละนะอุปาทานขันห้าถ้าพูดถึงขันห้าแล้วนะคำสอนก็บอกว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุเพราะฉะนั้นเหตุแห่งขันห้าเท่ากับแสดงแล้วและความดับทุกข์ก็คื อ, อนิโรธสัจจะเพราะฉะนั้นถ้าข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงนิโรดนั้นก็เท่ากับแสดงแล้ว เพราะฉนั้นโดยสรุปว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราสถาคตบัญญัติสี่ไว้บัญญัติสัจจะสี่เอาไว้เท่านั้นคือจะเมื่อไหร่ที่ไหนก็ช่างพระพุทธเจ้าจะสอนสัจจะสี่ซึ่งประกอบไปด้วยทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธาคาขมินีปฏิปทาแต่จะไม่แสดงว่านี้สัตว์นะนี้เหตุของสัตว์นี้ความดับสัตว์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงสัตว์เนี่ยดับไม่มีแบบนี้ไม่มี ถ้าแบบนี้เป็นมิจฉาทิฐิทันทีเช่นวันนี้สัตว์สัตว์นี้ใครสร้าง้ยจะตามมาอีกซึ่งไม่ใช่สมุทยัยนี้ความดับของสัตว์เอากศูนย์สิสนะสมมุตินะถ้าคิดแบบธรรมดาเลยนะนี้สัตว์สัตว์นี้เกิดยังไงถ้าจะดับสัตวนะ์น่ะต้องฆ่าทิ้งนะหรือตายแล้วก็จบข้อปฏิบัติดอกใช้ปืนซึ่งซึ่งไม่ใช่ตามแนวคําสอนเนี่ยนะ ศัพท์ที่ควรเพิ่มอีกนิดหนึ่งบอกในอัตตกฐานหน้าสองอเจ็สิบสี่กล่าวว่าบทว่าทุกขันเจวะปัญญาเปติทุกขสัจจะนิโรธังความว่าเราตถาคตบัญญัติวัตทุกข์และความดับไปแห่งวัตทุกข์คือพระนิพพานอีกอย่างหนึ่งด้วยคําว่าทุกขังเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงหมายถึงทุกขสัจเมื่อทรงหมายถึงทุกขสัจนั้นแล้วก็เป็นอันหมายถึงสมุทยัยสัจด้วยเพราะสมุทยัยสัจเป็นมูลเหตุแห่งทุกขสัจนั้น ด้วยคําว่านิโรธังเนี่ยนะเป็นอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงนิโรสัจจะเมื่อทรงหมายถึงนิโรสัจจะนั้นแล้วก็เป็นอันหมายถึงมกขสัตย์ด้วยเพราะมกขสัตย์เป็นอุบายให้บรรลุนิโรสัจจะนั้นอีกในอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแ ส, สดงว่าดูก่อนอนุราธะทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราถากดบัญญัติสัจจะสีนะบัญญัติสัจจะไว้สีเท่านั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้ ในเรื่องของอัตราหรืออัตาเนี่ยนะซึ่งปกติสัตว์ก็จะสำคัญว่าขันห้านั่นแหละเป็นอัตราหรือขันใดขันหนึ่งนั่นแหละว่าเป็นอัตาบางทีก็ยังไปคิดว่าไม่ใช่อัตาหรอกแต่มันเป็นของอัตาอีกทีหนึ่งเรียกว่าอัตนิยะเนี่ยนะไม่ใช่อัตาขันห้าไม่ใช่อัตราแต่ว่ามันเป็นบริขารของอัตราเป็นสิ่งของอัตาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ เพราะถ้าหากว่าแยกแยะทั้งหมดแล้วก็จะเป็นอะไรเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุผู้ที่จะแยกแยะแล้วละคลายเอติฐิเหล่านี้ได้นะเรามาคิดถึงพระพุพทธพจน์ที่พระองค์ตรัสสอนพระนนท์ว่าคําว่าโลกศูนย์โลกศูนย์เนี่ยนะโลกศูนย์ก็คือโลกเป็นอนัตตานั่นแหละศูนย์จากอะไรศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา อย่างเช่นนะตัวขันห้าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่บริขารของอัตตาอะไรขันห้าเป็นอะไรทัวในครั้งขันห้าเป็นอะไรคุณต้ก็เป็นขันห้านะอ เ, เออเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณรูปเพราะเสื่อมสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยเนี่ยนะเวทนาเพราะสเสวย อ, อารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอ่ะนะก็ก็คือขันห้านั่นแหละไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใคร แต่ว่ามันเป็นกองทุกเงาสิเนี่ยนะเาะที่บางแห่งก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรถือมั่นไม่ควรเข้าไปถือมั่นว่าเป็นของที่เที่ยงอย่างหนึ่งสุกอย่างหนึ่งอัตตาอย่างหนึ่งอ่ะแล้วให้เห็นเป็นอะไรให้เห็นเป็นอนัตตาอ่านะให้เห็นเป็นอนัตตาเนี่ยทายังไงจริงจะเรียกว่าเห็นเป็นอนัตตาอ่านะอีกโวหารหนึ่งก็บอกว่าให้เห็นโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยนะคำว่าอนัตตานะอีกฉับหนึ่งว่าศูนย์ คำว่าศูนย์ไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีเช่นหม้อศูนย์เรือนศูนย์เนี่ยศูนย์ยาคารเนี่ยนะเรือนศูนย์เนี่ยนะเรือนศูนย์ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่มีเรือนใช่ไหมแปลว่าไม่มีใครอยู่ในเรือนรูปก็เหมือนกันรูปเนี่ยไม่ใช่อัตตาไม่ใช่บริขารของอัตตาเวทนาก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่บริขารของอัตตาหรือไม่ใช่ของอัตตา สัญญาก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ของอัตตาสังขารก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ของอัตตาวิญญาณก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ของอัตตาเนี่ยนะก็เหมือนพูดแบบไทยเราบอกว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่เราก่อนนะแล้วไม่ใช่ของเราเอ่ะแล้วเป็นอะไรเป็นขันห้าที่เกิดจากปัจจัยถ้าดับปัจจัยขันห้าเหล่านี้ก็ ก็ดับหมดเนี่ยนะแต่ใช้คําว่าดับปัจจัยต้องเข้าใจอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดให้ชัดๆนะจึงจะเข้าใจถูกวางั้นเถิดถ้าดับปัจจัยขันห้าก็ก็ดับไปโดยไม่สิ้นเหลือบางแห่งพงบอกว่าเพราะการดับไปแห่งวิญญาณเนี่ยนะถ้าวิญญาณดับขันจะดับทีนี้วิญญาณบางอย่างจะดับเนี่ยดับเพราะอะไรได้อะไรดับโซดาปฏิมรคเป็นต้นเนี่ยดับวิญญาณได้โสดาปฏิมรคเนี่ยดับวิญญาณไหน ดับวิญญาณสองกลุ่มดับวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณในภพที่8ดเนี่ยนะดับวิญญาณไหนเอกดับวิญญาณที่เป็นโลภามูลจิตสี่ที่เป็นที่ถีขตะสัมปยุตดับวิญญาณที่ทําให้ล่วงกรรมบดผิดศีลทั้งหลายแหละเนี่ยนะดับวิจิกิจชานะมันโสดาปฏิมาจะเป็นตัวดับวิญญาณถ้าดับวิญญาณได้หมดสิน้นเนี่ยนะทุกแง่มุมเนี่ยนะที่สุดแห่งทุกข์ก็ก็ดับหมดเลยเนี่ยนะ เราใช้คําว่าดับวิญญาณนะถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะมาดีไปนึกวิญญาณว่าผีชนิดหนึ่งไงวิญญาณนี่คือผีชนิดหนึ่งไอ้จะไปฆ่าผีได้ยังไงคะนี้ยุ่งเองเหมือนกันลองมา น, นึกดูเลยนะฮะการทําปริญญาในใ น, ในอุปาทานขันเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าถ้าเราไม่เอาขันในอดีตมา พอทำปริญญานะฮะถ้าจะไม่ถ้าจะไม่สำเร็จครับผมนึกในใจนะรู้สึกว่าขันในอดีตดูจะจําเป็นมากๆ ก, กันด้วยไม่งั้นมันก็ไม่เห็นความความเป็นอนัตตาหรือหรือความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะถ้าไม่เอาเอาเอ า, เอาในอดีตมาวิเคราะห์นะมันก็ไม่มีมันก็มันก็นกนอะไระผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันไม่เพียงพอ เห็นความไม่เที่ยงไม่พอเห <c oughs> ็นห <c oughs> ตรงเนี้ยที่เป็นโวหารแทนคำว่าอนัตตา อยู่ๆคาสอนจะไม่ขึ้นว่าอนัตตาโดดๆล้วนๆเลยใช่ไหมว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพูดแบบนี้โดยที่ไม่มีอย่างอื่นมาประกอบเนี่ยนะจะไม่ไม่แสดงแบบนี้อ่านะทั่วๆไปบางสูตรจะขึ้นต้นด้วยหนึ่งแสดงขึ้นต้นด้วยทุกเนี่ยนะทุกหมายถึงทุกคลักษณะนะอย่างหนึ่งหรือ อันนี้จะลักษณะเนี่ยนะทั้งหมดนี่คืออะไรของอะไรของขันห้านั่นแหละอันน่ะอายตนะสิบสองท่าสิบแปดเนี่ยนะก็พอพอแยกแยะมาก็เหลือเท่านี้ใครที่เรียนมัชิมะเอกมาน่าจะได้เปรียบกับเพื่อนกติหิขันเทหิ อายตนะเหตุทาตูหตใช่ไหมแม่ครูจําได้ก่อเพิ่งสอบไปได้เนอะปีนี้สอบได้โอ้มาชิมาเอกหลายคนในห้องเราเนี่ยมุธิตาด้วยเนี่ยนะคือคือมองทุกอย่างให้เป็นขันอายตนะธาตุเนี่ยนะขันอายตนะธาตุทั้งหมดนั้นถ้ากล่าวว่าโดยทุกขลักษณะทุกก็คือสิบเอ็ดอย่างก็ต้องเอามาจับเลยใช่ไหมอะไรบ้างอ่า คำว่ทุกเนี่ยเพราะไฟคือราคะนี่เผาขันห้าเนี่ยนะเพราะราคะโทสะโมหะชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตเนี่ยนะเพราะว่าคำว่าทุกคุลักษณะเผาขันอายตนะธาตุเนี่ยเผาด้วยอํานาจสิ่งเหล่านี้นี่คือความเป็นทุกข์ของขันห้า ถ้าอ น, นิจจังล่ะอ น, นิจจังก็ต่อด้วยสังขตังเนี่ยนะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นของที่สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้นี่คือความเป็นอ น, นิจจังของขันห้าเนี่ยนะเป็นทุกข์ด้วยเป็นอ น, นิจจังด้วยทีนี้ก็มาค่อยมาต่อว่า ไอสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะบอกว่าอัตราของเราได้ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่อัตราเอาแล้วมันทุกข์ขนาดนี้ด้วยมันไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วมันของเราใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นเขาบอกว่าในแง่เนี่ยถามว่าเพื่ออะไรเพื่อต้องการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้คือถ้าไม่วางอ่ะนะสํานวนว่าไม่เข้าไปมีอภิชาและไม่เข้าไปมีโทมนัทเนี่ยนะ ปกตินะถ้าถ้าบางคนเนี่ยไม่เข้าไปยึดแต่เข้าไปเกลียดใช่ไหมไม่ใช่เข้าไปจงเกลียดจงชังอั น, นหละคำสอนบอกว่าไม่ให้ก็ไมนะ่ไม่ใช่ทำให้เป็นที่รักอย่างหนึ่งเป็นที่ชังอย่างหนึ่งอ น, นะ เขบอกว่าทำทั้งที่เรียกว่าสัตว์และสังขารไม่ให้เป็นที่รักไม่ให้เป็นที่ชังเนี่ยนะก็ให้เห็นเป็นอะไรก็ให้เห็นเป็นไปตามแนวนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ชอบและและชังนะนะแต่ว่ารู้โทษมันและพื้นฐานถ้าไม่ทําตรรณปรนญญาที่อนิจจังกับทุกขังอย่างละเอียดที่ท่วนยากที่จะเห็นโดยความเป็น อนัตตาดังั้นการรู้โดยความเป็นอนัตตาเพื่อต้องการสละใช่ไหมผู้ที่เห็นขันเหล่านี้โดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะจะละกิเลสได้เพราะลําพังเห็นไม่เที่ยงเฉยเฉยละกิเลสไม่ได้เห็นเป็นทุกข์เฉยเฉยละกิเลสไม่ได้พระองค์เจงจะสอนหนึ่งข้อแรกอนิจจสัญญาข้อสองทุกขอนิจเจทุกขสัญญาแล้วก็สาม ท, ทุกขเ อ, อนันตตสัญญาเนี่ยนะก็ผู้ที่มีอนันตตสัญญาเนี่ยจึงจะละมารนณะ์หรือละกิเลสได้ ถ้าไม่ไม่ได้เจริญอนัตตาสัญญาละกิเลสไม่ได้เพราะอะไรถ้าบอกผู้ที่รู้แต่เฉพาะไม่เที่ยงกับเป็นทุกอย่างเดียวอาจ จ, อาจจะอาจจะก็อาจจะคิดหาขันอันใหม่อีกก็ได้เนี่ยนะและอนัตตานี้เป็นสิ่งที่สอนยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันจะต้องรู้ทุกคลักษณะเป็นอย่างดีรู้ อนิจจลักษณะเป็นอย่างดีนะสิ่งที่มีอนิจจลักษณะคือสิ่งที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นอนัตตาสิ่งที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นการพูดถึงอนัตตาที่เป็นไปเพื่อความเบือ่อนายใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่เอาทุกข์ไม่มาที่บายนักไม่เอาความไม่เที่ยงของขันห้ามาที่บายนะจะเป็นอนัตตาที่เช้าชามเย็นชามนะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเพียนอะไรใช่ไหม เอาทุกอย่างเป็นอนัตตาไปเพียรทําอะไรใช่ไหมไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปพิจารณาทำอะไรก็ปล่อยมันเพราะมันเป็นอนัตตาดีไมด่ดีถ้าคิดจะทําอีกเป็นอัตตาด้วยยุ่งกันใหญ่ก็นี่เช่นสมมุติว่าเช่นสมมุติว่าอารมณ์ที่ปรากฏเนี่เออบอกอภิจนาที่นี่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงๆ อย่างเสียงอย่างเงี้ยเออนี่มันไม่ใช่เสียงรถจริงๆนะคุณลอคิดดูแนละ้วไม่ใช่เสียงรถจริงๆเป็นเสียงจริงๆมันเป็นรูปจริงๆอย่างเนี้ยถือว่าไม่ได้กล่าวถึงไม่เที่ยงไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็นทุกยังไงไม่ได้อยู่ดีลอยๆนมาเนี่ยเมื่ออารมณ์ปรากฏเนี่ยพิจารณาเนี่ยเนี่ยเนี่มันเป็นมันเป็นฟ ร, รัมัดมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเนี่ยเนี่ยเขาถือว่าเห็นไปอา น, นาตาแล้วนี่คืออา น, นาตานะครับมันเกิดเรื่อยๆมันเกิดเพราะเหตุปัจจัย แต่ก็ไม่ได้อาความไม่เที่ยงไม่อนิจจังเป็นทุกข์อะไรมาไม่ได้เริ่มจากนั้นมาก่อนไม่ต่อขันแน่ดีขันในปัจจุบันอะไรทําไมไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเลยมันก็ไม่เหมือนไม่ต่างสำนวนนะไม่ต่างอะไรจากวิชาทางโลกที่พูดถึงเรื่องเสียงเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปเข้าใจผิดใช่ไหมที่ที่อย่างแสงสีเสียงอย่างที่จามินิศสอนเนี่ยก็ไม่ได้มีความเข้าใจผิดว่าเสียงนี่เป็นเป็นสัพเป็นอะไรใช่ไหมเข้าใจไหมจามินิศเข้าใจเป็นยังไงไหม เข้าใจว่าเสียงนี่เป็นสัตว์เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไหมนี่เข้าใจผิดอะไรเลยแล้วรู้ดีด้วยสามารถสร้างเสียงขึ้นมาด้วยเนี่ยนะสร้างเครื่องเสียงมาขายเป็นอาชีพอยู่ได้อยู่แล้วคือทางทางโลกโลกเนี่ยก็รู้ลึกไปกว่านั้นอีกว่าเสียงเนี่ยนะมันเป็นการสั่นสะเทือนของอากาศแล้วมันสั่นแบบไหนก็รู้ด้วยว่ามันมีนความถี่ยังไง ทีเท่าไหร่มันเข้ากระหูยังไง ร, รู้ลึกกว่า น, นั้นอีกด้วย แ, แล้ ว, ลวไม่ได้อไบอกว่าเออมันเสียงยังโน่นเสียงนถเสียงอะไรนะเพราะขึ้นชื่อว่าเอาเสียงม า, าวิเคราะห์บแบบวิทยาศาสตร์นะครมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นเพราะถ้าว่าโดยรวมๆนะแง่วิทยาศาสตร์เขาก็สอนดีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแต่ทีนี้ถามว่าทั้งสองย่างทั้งที่กล่าวทั้งสองในเมื่อกี้เนี่ยเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดไหมคือเขบอกว่าเออเสียงเนี่ยเป็นเสียงชนิดหนึ่งเป็นสภาวะธรรมเป็นปรมตเนี่ยนะ ซึ่งก็ไม่ผิดแล้วถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์อีกก็ก็ก็ถูกแบบนั้นอ่ะนะก็ถูกตามหลักวิชาของสายนั้นๆแต่ถามว่าคําสอนของเราเนี่ยสอนเพื่ออะไรเพื่อเบื่รร่ายและคลายกําหนัดแล้วทั้งคู่เนี่ยก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดไหมเพราะว่ารู้เท่านั้นไม่เพียงพอเหนไหมธรรมจารย์มินิดเนี่ยปริญญาโททั้งฟิสิกส์อ่ะเพราะฉะนั้นรู้เสียงดีกับพวกผมเยอะนะก็คํานวณได้ด้วย คานวณเสียงยางสบายๆแล้วไง10เฮิรง2กิโลเฮมเ่าได้ดีอเนาแม่ม่ทั้งคูนี้ผูการถามว่าเกี่ยวกเรื่องเสียแล้วเมื่อเสียงอย่างเสียงรถเสียงอะไรเนี่ยเราจะพิจารณาโดยโดยโดยเหตเกิดงนเนี่ยนะแล้วก็ ตัวเสียงนะครับเสียงรถเนี่ยเหตุเกิดมันก็ติดกุญแจนะมันก็เกิดเองอะนะเปิดเครื่องก็เกิดเองอะนะแล้วก็ถ้าดับง่ายมากก็ไปดับกุญแจมันซะแค่นั้นอ่ะมันก็ดับนะครับนั่นแหะเหตุเกิดกับความดับของมันนั่นแหละถ้าถ้ายังมีเชื้อเพลิงมีน้ํามันมีองค์ประกอบอยู่นะแล้วก็ติดกุญแจก็นั่นแหะเสียงก็ดังแล้ะถ้าไปดับมันก็ดับแล้วหรือไม่ก็ไปเปิดน้ํามันให้มันหมดมันก็เดี๋ยวมันก็ดับมันเอง ไอ้ยอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ดับกิเลสแต่แต่ถามตรงคือตอบตรงคำถามเนี่ยนะแต่แต่ท<ต>ีน<ต>ี้ถ้ากล่าวถึงเสียงเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นกลุ่มธรรมะเขาจะไม่พูดขึ้นมาลอยๆอย่างนี้หรอกครับเขาจะพูดว่าถ้าพูดในแง่เสียงในแง่ากรรมมาคุณว่าเสียงที่น่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจชัวนให้รักชักให้ใคร้พาใจให้กําหนัด ถ้าผู้ที่พูดถึงพร่ำถึงเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ความเพลิดเพลินที่มีในเสียงนั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์ต่อไปนะก็จะพูดแบบนี้เขจะพูดให้มันตลอดสายไม่หยุดอยู่ว่าเออนี่เสียงอยู่เฉยๆเนี่ยนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะแต่จะแสดงในแง่ว่าเสียงนี้เป็นกา ม, มะคุณนะกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกไม่มีใครเข้าไปมีความสุขเพลิดเพลินได้อย่างแท้จริงในเสียงเหล่านั้น การทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อเนี่ยนะเครื่องเสียงมันเป็นที่แย่งชิงกันอยู่แล้วอย่างนั้นนะเสียงรถยนต์เนี่ยมันก็ลักขโมยกันเป็นที่แย่งชิงกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุกรมเนี่ยนะก็เอาเรื่องการมาวิเคราะห์ถึงโทษภัยพิษภัยทั้งหลายของกรมเป็นต้นเขาจะต่อด้วยสิ่งเหล่านั้นจะไม่หยุดอยู่โดดโดดหรือถ้าจะแสดงในแง่าอายตนะก็คือเสียงในฐานะเป็นโสตายตนะ นะโสตายตานังโสตะวิญญาณนธะาตุยาตังสัมปยุตกาการนังธรร ม, มานังตังสมุทะตังธรร ม, มานังอ่ะนะอารามณปัจเจเนปัจโยคือเสียงในฐานะเป็นอารมณ์ของโสตะวิญญาณและธรรมที่สัมปยุตกับโสตะวิญญาณเนี่ยนะแล้วถ้าจะวิเคราะห์เสียงเสียงมันก็มีรูปอยู่9้ารูปเท่านั้นเองเนีย่ยนะเพราะเพราะตามหลักวิชาของเราไม่ได้เพื่อสร้างเสียง แต่เพื่อตัดฉันนราคะในเสียงนั้นตัวเสียงจริงๆมันไม่มีอะไรมากให้ให้เราต้องมาคิดแบบแบบในสายธรรมะเราก็รู้ว่ามันมีสมุทฐานสองแล้วก็เสียงเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัดใ จ, จให้อ่านะศีลธรรมนี่ต้องมาก่อนอันดับแรกหนึ่งนะอนาศัยเสียงอันนั้นนะทำบาปได้ไหมมาสตาร์รถดังหน้าเราบ่อ ย, อยๆเนี่อะไรจะเกิดขึ้นมโนทุจริตเราก็เกิดขึ้นก่อน ตามด้วยว่าจีทุจริตดีไม่ดีพยาบาทเกิดต่ออีกเนี่ยนะล่วงกัรมาบทตั้งหลายกระทงอย่างเงี้ยนะันก็ก็เอาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมแนละผลของกรรมนะเพราะลพังตัวเสียงเองอะ่ะถ้าตัวมันเองจริงจริงมันก็คือรูปรพระ น, นั้นเองคือ <c oughs> คือถ้าหากว่าเราไม่ไม่ยึดเป้าหมายเราไว้ว่าเราเรากำลังศึกษาชีวิต ว่าชีวิตเนี่ยในวัฏฏ ะ, ะชีวิตเราจะไปยังไงในวัฏฏะแล้วเสียงมันเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงในชีวิตที่จะทําให้เราไปสู่วัฏฏะอันนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะน่าจะต้องคิดมาถ้ามีตรงจุดเป้าหมายอันนี้แล้วเนี่ยนะเราจะวิเคราะห์เสียงเข้ามาในสู่เป้าหมายของเราได้ ไ, ได้อย่างดีเลยเพราะทําไมเสียงธรรมเราทำให้เราต้องเกิดอีกอย่างเนี้ยอื ให้อย่างนี้เนี่ย น, นะ ก, ก็เข้าเลยเพราะฉะนั้นยากกว่ายากกว่าเก่าเยอะ<ฮ>ยากกว่าที่บอกเออเสียงนี่มันเป็นปรามตธรรมแล้ ว, ลวก็จบไปกันนั้นนะเลยไม่รู้ต้นสายปลายเห็นไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้วัตถุประสงค์ไม่รู้อะไรเลยอะ่ะอันอย่างเสียงเนี่ยนะสมมติถา้าเสียงดังๆเนี่ยนะสมมติเสียงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเสียงอันนี้ผู้ที่มีอภิชาเนี่ยนะเพราะเสียงเหล่านี้ก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะใช่ไหมฝังที่จะ ตัวเองได้ไปนั่งบนนั้นบ้างให้ไปเป็นเจ้าของบ้างให้ไปไปอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างซึ่งถือว่าเป็นวัตถุการมที่ที่แรงอ่ะนะเพราะเป็นวัตถุที่มีค่าเนี่ยมากเยนะหลายสิบล้านอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็มันสร้างให้มีอภิชากัโทมนับเนี่ยมากเสียงรถในอเมริกาขนาดนี้ถามว่ามีไหมมีแล้ว ม, มันเกี่ยวข้องอะไรกันไหม มันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราที่ไปในวัดตะเลยเราจะไม่ใหความสําคัญให้มันพิเศษยังไงเราก็ไม่สนใจแต่ว่าไอ้เสียงกําลังปรากฏขนาดนี้เนี่ยมันทําให้เราเต้องต้องต้องเที่ยวไปในวัดตะแล้วก็พิจารณานะตัดเอาสะชะกสูตรหรือเอาโลกาเนโรทสูตรมาคิดเลยนะว่าหูนะอาศัยหูที่เป็นผลของบุญเก่าเนี่ยนะกับเสียงฮอที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยอะ่ะเสียงฮอขึ้นเกิดอากาศ ที่เป็นประกตูแล้วก็มนัิการได้ยินเสียงขึ้นเนี่ยนะภาษาอ่าโสตะวิญญาณก็เกิดนะได้ยินเสียงก็คือโสตะวิญญาณสามอย่างนั้นแนหะประชมกันเรียกว่าภาษาภาษาเป็นปัจจัยแห่งเวทนาถ้าเป็นอย่างเสียงเมื่อกี้ปกติจะเป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะถ้ามันดังเกินไปอาจจะเป็นปัจจัยแก่โทมนัสเวทนาเนี่ยนะถ้าอุเบกขาเวทนาโดยมากก็ต่อด้วยโมหะถ้า ทุกเวทนาก็ต่อด้วยโทสะถึงอย่างไงนะเวทนาเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาอีกอยู่ดีเห็นไหมเป็นปัจจัยแก่ตัณหาพราะตัณหาเกิดอะไรเกิดอันนะอุปาทานก็เกิดใช่ไหมถ้าอุปาทานเกิดคิดถึงเสียงอันนั้นเป็นมนโนกรรมคิดเฉยๆนะีคิดถึงเสียงนั้นเป็นมนโนกรรมพูดถึงเสียงเป็นวจีกรรม ถ้ามีพฤติกรรมโต้อตอบในเรื่องของเสียงก็เป็นกายกรรมกรรมเหล่านั้นอ่ะเป็นตัดใ จ, จเพื่อให้มีอะไรตรงๆก็คือเพื่อให้มีหูต่อไปเนี่ยนะโดยตรงเลยนะเพื่อให้มีหูต่อไปเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่ อ, อหูนี่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ตั้งแห่งตัวทุกเนี่ยนะเป็นไปแห่งวัตถุทุกซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีหู น, นั้นก็คือเพลิดเพลินในเสียงอันนั้นแล้วรู้เห็นยังไงจรึงจะเบื่อหน่ายในเสียงที่จะได้เลิกเพลิดเพลินในเสียงสักทีหนึ่ง ตรงนั้นแหละเป็นลักษณะของคำสอนที่เรียกว่าโยนิโสมนัสิการมาคร่ครวญจนเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในเสียงเนี่ยนะก็ถึงเพราะว่าไม่ไม่ใช่แปลว่าไม่ต้องไปสนใจข้อปฏิบัติในศาสนานี้ไม่ใช่แปลว่าไม่สนใจเสียง แต่เข้าไปรอบรู้ในเสียงด้วยอำนาจของปริญญาสามเนี่ยนะแต่ว่าลาพังเสียงอย่างเดียวเนี่ยนะยางสมมติว่าคลื่นในทะเลนะที่ไม่มีใครไปได้ยินมันเลยเนะนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันรอก็ไม่เกี่ยวแต่ทีนี้ถ้าปรับพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณปัจจัยของจิตไหมเกี่ยวข้องกับกรรมไหมซึ่งอวิจิตหรือกรรมเนี่ยนะตรงนั้นะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาและ วิชากิเลสถ้าจะเกิดก็เพราะเกิดในในสิ่งเหล่านั้นแหละในฐานะเป็นอารัมมณปัจจัยเสียงนี้เป็นปัจจัยแก่กิเลสได้สองปัจจัยเท่านั้นคืออารัมมณปัจจัยกับอุปนิสยปัจจัยสองปัจจัยเท่านั้นเนี่ยนะก็รู้เห็นยังไงจึงจะเบื่อหน่ายในเสียงนั่นแหละเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าให้ตรงไปก็คือถ้าจะรู้เห็นเบื่อหน่ายในเสียงก็พยายามจับที่สมุทฐานของ เสียงก่อนเป็นอันดับแรกแล้วตัวเหตุของเสียงเหล่านั้นมันจีรังยั่งยืนไหมแล้วเสียงเหล่านั้นล่ะมันเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเองนั่นแหละแล้วการได้ยินเสียงซึ่งประกอบด้วยหูถ้าหูเสื่อมนี่จะได้ยินเสียงไหมก็ไม่ได้ถ้าเอากําแพงมากัน้นซะที่ที่ช่องว่างที่จะให้การสืบต่อไม่ได้เนี่ยจะดังไหมก็ดังไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็องค์ประกอบเหล่านี้